ขอความเจริญในธรรมชมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงปโปติยานกำลังนำเสนอเรื่องปัจจเวกขณะสมา ธ, ธิคือปัญญาเน็นชอบที่เกิดขึ้นจากการพินิษพิจารณาเพ่งพินิษพิจารณาเฉพาะเจาะจงกรณีกรณีไปจึงเกิดเป็นความเห็นชอบตามสมควรแก่กรณีนั้ น, น, น อันที่จริงก็เป็นหลักการศึกษานะฮะเป็นหลักการบริหารตนบริหารคนบริหารงานนั่นแหละแต่ว่ามันมามองที่ตนเองเป็นหลักซะก่อนคือปรับสภาพความพร้อมของตนเองที่จะเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นทีนี้คนเราทุกคนมันก็เป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นพัญยาเป็นเพื่อนเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นครูบาอาจารย์ะเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นแล้วก็เป็นให้ชอบ เรื่องทั้งหมดมันก็อยู่แค่นี้เพระาะนั้นบนเส้นทางตลอดเนี่ยเราก็บาพูดมาจนถึงข้อที่ห้าแล้วนะฮะคือถึงข้อที่สี่แล้วจะ เ, เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเหล่า น, นั้นหนึ่งบัดนี้เรามีเพศต่างจากกิริยดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณนะต้องต้องทำอาการกิริยานั้นๆ 2. ชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นควรทำตัวต่อเลี่ยงง่ายสาอาการกายวาจาอย่างอื่นที่ต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ 4. พิจารณาเนืองว่าตัวเราเองติเตียนเราเองโดยศีลได้หรือไม่เห็นไหมศึกษาข้หาตัวหมดเลยเป็นหลักใหญ่แต่ว่าแปลกในวงการพระเองก็ไม่ค่อยนามาเน้นเท่าไหร่ แต่มาสอนนักศึกษาสอนนักธรรมในจะเน้นมากเรื่องเราเนี้ยคือถ้ากว่าเราจับหลักตรงนี้ได้แล้วเราก็าไปได้แล้วนะฮะเราะส่วนหนึ่งมันจะไปซ้ำๆกับเรื่องอภินาปัจเวคขณะที่ห้าข้อซึ่งเราพูดมาหลายวันแล้วในข้อต่อไปทรงใช้คำว่าบัรปชิตควรพิจารณาหนึ่ ง, งว่าเพื่อนสัพรมาจารี ทั้งหลายผู้เป็นบินยูชนพิจารณาแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ก็มีข้อแม้นะฮะคือว่าการติเตียนของคนเนี่ยเราต้องมองเฉพาะบินยูชนเท่านั้นเพราะในเพาะบินยูชนมันจะใช้เหตุผลใช้สติปัญญาเป็นการมองไม่ใช่มองด้วยตาบอดสีหรือว่าไปใส่ใสายแว่นจะแว่นสีเข้าไป เพราะการติเตียนบางทีเนี่ยมันมันนอกเรื่องนะฮะเมายังนึกถึงมิ ก, การเมืองสองท่านนะ่ะที่หนังสือพิมพ์พิจารณ์ด่าว่าอยู่เรื่ยเลยแต่ไม่เคยบอกนะฮะว่าท่านผิดยังไงท่านไม่ดียังไงเนี่ยไม่เคยบอกเลยนะคนหนึ่งก็บอกจมหมูกมันชมผู้คนหนึ่งบอกว่าห้าสั้นฟังมายี่สิบกว่าปีแล้วนะก็เห็นมีพูดอย่างนี้ มันนอกประเด็นอ่ะมันนอกเรื่องอ่ะมันไม่ใช่วิสัยของการตําหนิยกจ้องในเชิสงสร้างสรรค์แต่ว่ามันเป็นการริษยาเป็นการแข่งดีแล้วทางจะทําลายล้างก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนก็เอาแต่มันดาไปเตี้ยไปผอมไปอ้วนไปหัวล้านไ ป, นไปเอ็มไม่เกี่ยวอะไรอ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเรื่องนําเสนอคนละเรื่องนะพูดถึงดีถึงชั่วนะ บางทีก็ไปลามปามจนถึงโอ้ยเมื่อก่อนยังไม่มีอะไรเป็นคนจนแล้วใครมันรวยสักคนอย่างในโลกเนี่ยเกินมาถึงนี่ผ้าตผืนเี่ไม่มีเลยอาศัยคนอื่นก็ทั้งนั้นไอ้นี่คือคือการติเตียนเพราะงั้นศาสนาพุทธเนี่ยจะไม่สนใจตั้งการติเตียนของคนผ่านคนพานเนี่ยเด่าได้ทั้งนั้น มีคนเคยจ้างให้เขาดา่าพระพุทธเจ้าเป็นอูดเป็นลาเป็นคนโง่เป็นสัตว์นรกอะไรแต่โอ้ยว่ากันพุตธลุดเลยสิ่ข้อเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่จริงสตข้อเดียวนะแต่เขาก็ด่าได้นั่นก็แสดงคนผ่านคนผ่านนั้นจะเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะบัณฑิตจะเพ่งโทษตนเองเป็นลักษณะ นั่นคือจุดในการกำหนดความเป็นาพามความเป็นบัณฑิตของคนที่จะส่งแสดงไว้เนะี่ยที่จริงก็มีเยอะทีนี้เพื่อนสัพรมาจารีเนี่ยหมายความมาพ้นที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกันเช่นว่าอุบาสกบาสิกาด้วยการติเตียงการพระภิกสุสามเนรด้วยการติเตียนกันแต่ว่าเราเปิดใจกว้างนะะเปิดใจกว้างว่าชาวบ้านติเตียงก็ได้ก็ไได้ว่าอะไรแต่ว่าต้องติเตียนที่ถูก แต่จากการสังเกตเนี่ยนะฮะจากการสังเกตว่วคนที่เขาติเตียนจริงๆเนี่ยเขาจะติเตียนด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ส่วนว่าหาเรื่องติเตียนก็ว่ากันไปจังวันก่อนเนี่ยฟังคนรุ่นครูบาอาจารย์นะพูดบอกเขาไม่อยากให้เป็นเลิอกอะไร รับหรืออะไรอะไรที่ที่เขาเล่นเขวแสดงตอนตีห้าเพราะว่ากลัวว่าเจ้าคุณบางรูปจะไปบินดาบาดไม่ทันอันนี้มันมากไปนะคือไม่ใช่ของเอามาเอามาเล่นเรื่องที่ว่าเนี่ยเป็นข่าวนะยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าท่านละอายแก่ใจท่านก็สึกไป ท่านกลัวว่าความเสืูญเสียท่านก็บอกชัดเจนนะท่านกลัวว่ามันความเสื่อมเสียจะสู่ศาสนาเพราะงั้นท่านยอมสละตัวเองแล้วจนจนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรเลยแต่ไปล้อเล่นกันในที่สถ า, านนั้นออกทองโทรทัศน์ออกอทางวิทยุไปมันรู้ที่ภาวะของความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันหายไปไหนอ่ที่ไม่ได้มีความเมตตาไม่มีความเอภัยไม่พยายามทําความเข้าใจ เราสมมติว่าจริงเนี่ยมันก็แสดงว่าสานึกเป็นเจ้าคุณมันไม่มีมันก็เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งทําไมไปใช้กับมาเจ้าคุณเนี่ยเจ้าคุณมันก็ทําให้เกิดภาพพระมัวขึ้นในวงการพระผู้ใหญ่เพราะเจ้าคุณเนี่ยเป็นพระระดับบริหารประชานานะทั้งด้านการศึกษาทั้งการเผยแพร่ดูแลรักษาพระสาทศาสนานเป็นพระที่ทํางานมีบทบาทประชาทาสนาอยู่ อันนี้ก็คืออะไรก็คื อ, คอมันขาดการใช้เหตุผลใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพราะถ่าบินยูชนท่านจะตีเตียนเนี่ยมันมีหลักอยู่ว่าท่านจะไม่มองที่คนแต่ท่านจะมองที่กรรมคือการกระทำเพราะหลักการสาคัญในความเป็นบินยูชนนี่คือใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้ว ตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิเมื่อตำหนิที่กรรมมันก็ไปขีดวงไว้เฉพาะตัวคนที่ทำกรรมนั้นคนอาจจะอยู่เป็นร้อยจะมีคนคนหนึ่งยิงคนตายก็คือคนนั้นเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวก็อาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพูงเป็นพ่อแม่ลูกกันคนอื่นไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เป็นด่ากลา่า ไปด่ากลาดคนอื่นเขาไปต่อว่าคนอื่นเขาอย่าง ก, ก่อนเอามาดูข่าวแล้วก็รู้สึกสลดความเป็นชาวพุทธเนี่ยนะฮะเราสลดใจในความเป็นชาวพุทธที่มีข่าวเรื่องการจับพระอะไรทางแถวสุพรรณนะนะแล้วก็ไปสวดโคดอะไรที่บ้านแล้วก็ไปดูพี่สาวเขาอะไรแต่ไรก็หาว่รวาร่ารวยก็ตามมาหากินก็ตามปกติเขาอะ่ะ แล้วคล้ายๆกับว่าที่ร่ำรวยมาเนี่ยเพราะว่าพระน้องชายเอาไปให้โอ้โหมันรูเดือด้ะเกินมนุษย์เนี่ยขาวัดพังทรรมจำศีลมาได้ยังไงทำไมไม่เปลี่ยนแปลงในลักษณะนิสัยซะบ้างล่ะการจะไปตัดสินวินิจฉัยอะไรคนอย่างนั้นมันทำได้ที่ไหนล่ะมันต้องมีเหตุมีผลมีหลักมีฐาน เพินแสดงว่าขาดการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาทีนี้ตีต่างว่าเนี่ยขึ้นสัพประม า, ารีคือหมายความว่าใครก็ตามนะฮะผู้มีศีลมีข้อแม้นะเพื่อนสัพประมารีผู้มีศีล แ, นะแล้วก็เป็นบินดุชนให้ครวนพิจารณาแล้วในตีเตียนเราได้ไหม ถ้าติเตียนเรารับฟังแ น, แน่นอนในแง่ของการรับฟังเนี่ยบางคนก็บอกว่าจริงจบทักมันก็หยุดไว้หน่อยอย่าน้อยการติเตียนการทุวงติ่งมาจากที่ต่างๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่จริงแต่เราก็รับฟังไว้เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งแต่ในกรณีถึงการติติ่งที่ความประพฤติเนี่ย เราจะรับฟังในกรณีที่ท่านเป็นบินยูชนเพราท่านติเตียนที่ความประพฤติเราอย่างนั้นไม่เหมาะอย่างนั้นไม่เหมาะอย่างนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วไม่เห็นมันเสียหายอะไรนะฮะเนนก็ทุ้งติ้งก็ได้เด็กก็ทุ้งติ้งก็ได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรรับฟังเอาไว้ไม่เห็นเสียหายอะไรเนี่ยภาษาลิบุตรเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างคือท่านห่มจีบอล ดีวอนก็ไม่ก็จะเรียบร้อยนะก็ก็นั่งมานานนะก็สบงนะฮะสบงคือสบงนี่มันมันต้องปรับอยู่เรื่อยนะพระนี่นุ่งสบงต้องปรับอยู่เรื่อยทีนี้เนรก็เห็นว่ามันไม่เรียบร้อยแกก็บอกว่าหลวงพ่อนุ่งสบงไม่เรียบร้อยท่านก็หลบเข้าไปในในพุ่มไม้นะฮะก็ไปจัดเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเอาบอกท่านอาจารย์ช่วดูหน่อยเรียบร้อยหรือยัง ท่านให้ความเคารพนะฮะไม่ใช่ประชดสามเณรนี่มมนนยแต่ว่าเคารพในฐานะที่สา ม, มนเณรและให้สติตักเตือนท่านเพราะการมองการตักเตือนของวินญูชนเนี่ยเรามองเมือนก็ท่านบอกผมซับให้ถึงบางครั้งบางคราวท่านอาจจะข่มผูดุดา่าตำหนิทุ่งติงอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามองที่จะนําเราเข้าไปสู่ สิ่งที่ดีงามก็มีความพร้อมที่จะรับฟังด้วยความเคารพก็เรียกว่าโอวาดาคโมคืออดกร้านอดทนต่อวาทะถ้อยคำทั้งหลายแต่คนเราถ้าเท่าใจเจตนาดีนะะก็รับฟังได้ทั้งนั้นแหละก็ไม่ได้ว่าอะไรใครทุวงติงตักเตือนห้ามปรามยังไงก็ว่ากันไปเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าตักเตือนไม่กล้าทุวงติงกัน ในพระธรรมอินัยในที่จริงมันมีหลักอย่างหนึ่งที่ท่านฟังคงเคยได้ยินวันมหาปวารณาเนี่ยมันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากว่า้าหากว่าพระปฏิบัติได้ตามนั้นจริงๆนะคคือคือเราดูแรกๆอะไรก็ชอบกล น, นะะแต่ว่าม อ, มองอีกทีก็เป็นวิธีการที่ถูกต้อง คือว่าพระก่อนจะเข้าบรรษาในที่จริงต่างคนต่างมานะฮะมาจากทิศต่างๆสมัยก่อนนี่ชัดเจนนะว่าพระอยู่ในทิศานุชิตเนี่ยพอถึงเข้าบรรษาก็ต้องไปจําบรรษาในวัดใดวัดหนึ่งในก่อนจะเข้าจําบรรษาเนี่ยท่านจะมีขอกมาลาโทษที่ล่วงเกินซึ่งกันและกันแล้วก็นึกนไม่ออกนะว่าบางทีเนี่ยตั้งไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยล่วงเกินอะไรกันเลย แต่ว่าเป็นวิธีที่เคลียร์สก็ดีนะฮะทำความเข้าใจกันเสก็ดีแต่พ อ, อย่มาครบสามเดือนซึ่งโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สิ้นออกพรรษาไปแล้วก็ต่างคนต่งางก็เที่ยวจาริกไปได้แต่พระวินในกำหนดให้มีการประนา ว, ว่ากล่าวตักเตือนกันเป็นการประนา ว, ว่ากล่าวกันในท่ามกลางสงู์ ข้าแต่ท่านผู้จเจริญกระผมขอปรานาโอสงด้ย่ยได้เห็นก็ตามได้ยินก็ตามได้รังเกยียจสงสัยอะไรก็ตามก็ได้โกรธได้โปโรกนราว่ากล่าวตักเตือนก็ตั้งใจจะสำรวมระวังต่อไปเมื่อเห็นโทษว่าเป็นความผิดปัจสันโตปฏิกริษามิก็จะทำคืน แล้วก็ตั้งใจสำรวจระหวังต่อไปแต่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยมันกลายเป็นพิธีกรรมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากคือยังนึกถึงว่าที่ในการปฏิรู ป, ปรศาสนาเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังได้อ่านหนังสือที่มาเรียบเรียงเรื่องไม่ยกย่องก็อย่าเหยียบยำ่ำคือม่นมีความรู้สึกมา น, นาน เราอาจจะเป็นฝ่ายวิชาการเป็นครูบาอาจารย์มาตลอดก็ไม่เคยทํางานในทํานองบริหารไม่ถึงก็ไม่เคยเหรอกฮะคือที่จริงก็เคยเป็นรัตชการเจ้าวาดราชการเจ้านําเพื่ออะไรอะไรมาตอนหนุ่มๆ น, นะฮะแต่ระยะหลังเนี่ยมาอยู่ตางสายวิชาการคือยังมองเห็นว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยมันทําให้มีปัญหาคือทําให้สํานึกแบบพระเนี่ยมันหย่อนลงไป แต่สำนึกแบบชาวบ้านเนี่ยมันเกิดขึ้นวันถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่ากลับไปหาวัฒนินัยซะเลยเรามีนักพิจ า, ารณาทั้งพระเราเนี่นะแล้วว่าผู้ที่ศึกษาละเทศไปแล้วเนี่ยคือเรานึกออกว่าตรงนั้นคือเผยแผ่ตรงนั้นคือบริหารตรงนั้นคือศึกษาสงเคราะห์ตรงนั้นคือสาธารณสงเคราะห์เนี่ยเอามาจัดพักเดียวฮนะคือยังคิดว่าไม่ถึงสิบห้าวันเนี่ยสามารถจะทําให้เสร็จออกมาเป็นเล่มหนังสือเลย และเป็นโครงสร้างในการบริหารองคอ์กรตามระสัพันยุตยานที่พระเจ้าทรงวางไว้เลยคือมันน่าจะเดินไปถึงจุดนั้นเพราะองคอ์กรเวลาเนี้ยมันเป็นองคอ์กรที่เรียกว่าเกือบเป็นอัมาพาตมันเดินไม่ได้เลยแล้วความตกต่ําเสื่อมถอยในทางาศาสนาที่เกิดขึ้นมันก็คาราคาซังอยู่ตลอดตั้งแต่สามสิบปีมาแล้วนะฮะคาราคาซังตลอด นั่นก็วิญญาชนที่จริงท่านก็ติดเตียนแล้วก็ทุ้งติงมาตลอดพระราชบัญญัตินี่มีการเรียกร้องให้แก้ไขมาตลอดเวลาตั้งแต่เรื่องประกาศใหม่ๆนะหลังจากมนสวรรคตายไปแล้วก็มีการเรียกร้องตลอดบางทีมีพระราชบัญญัติยกร่างขึ้นมาตั้งเจ็ดแปดฉบับโดนเบรกหมดเลยก็ทำให้เราเห็นว่าศาสนาเนี่ยมันจะไปทิศทางยังไงล่ะ เพราะว่าไอ้มาศฐานต่างๆที่มันเป็นแกนหลักที่พระเจ้าทรงวางไว้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยมันกลายเป็นพิธีกรรมมันแทนแทนแทนที่จะเป็นาศาสนาปฏิบัติแต่มันกลายเป็นพิธีกรรมไปอย่างเนี้ยการขอขมามันก็เป็นพิธีกรรมแล้วการปภาวณายิ่งครวรยิ่งเป็นพิธีกรรมใหญ่เลยแล้วถ้าลองดูก็ได้นะที่วัดไหนก็ได้ลองทดลองดูสิ ว่าปรนาการเศจปรนต่อสงนี่ฮะแสดงว่าผู้น้อยก็ตักเตือนผู้ใหญ่ได้ลองผู้น้อยไปเตือนผู้ใหญ่ดูด้โกรธไหมถ้าโกรธก็แสดงว่าก็พูดไปเป็นศาสนพิธเีเป็นพิธีกรรมแต่พวกนี้ที่จริงมันเป็นศาสนาปฏิบัติ <c oughs> พอเรามาใช้ในรูปแบบเป็นศาสนพิธีหรือบนพิธีกรรมเฉยเฉยผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลย คล้ายกับเราชาวบ้านเวลาเนี่ยพิธีกรรมต่างๆเช่นนี่มนุ์พระไปก็ต้องสมาทานสีงก่อนนะไว้พระสดุดีสมาทานสีแล้วกาฟังเทศแต่ถามารักษาสินจริงหรือเปล่ามันก็ทําเป็นพิธีกรรมตัวพระกลับแล้วก็นั่งดื่มเหล้าเฉยนั่งเฉยคื อ, ค, อ, ค, อคือเรียกว่าไม่รับรู้อะไรเลยนะฮะยิ่งงานศพแล้วยิ่งชัดเจนงานศพต่างจังหวัดนี่ชัดเสนชัดเลยแครับสินเสร็จ ราคับแกก็นั่งดื่มเหล้าตั้งโกงดื่มเหล้าเฉยไม่รับรู้อะไรเลยมันสุดยอดมนุษย์ปะเนี่นนะนะีอันนี้คือปัญหาที่การประกาสร้างแล้วไม่ได้มีการตรวจสอบตัวเองปัญหามันเลยก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเราน่าจะมองกลับไปสู่ศสาสนาะศึกษาศาสนาปฏิบัติปริยัตเนี่ยก็คือการศึกษาเรียนรู้นะฮะ แต่ว่าปฏิบัติเนี่ยหมายความว่านนำธรรมะเหล่านั้นมาปฏิบัติปฏิบัติตามที่จะปฏิบัติได้นะในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อเมื่อปรนน่าได้มันควรจะตักเตือนได้เลยปรนนาแล้วตักเตือนไม่ได้ปรนนาทําอะไรมันก็เหมือนกับที่เราธรรมะเช้าเย็นนะฮะมาไม่ค่อยขยันเท่าไหร่นะธรรมะธรรมะเนี่ยเพราะว่าเวลามันมันไม่ค่อยลงตัว เรื่องมันเยอะแต่เราเราก็ทําของเราอะนะะแต่วราทําเป็นหมู่คณะเนี่ยมันไม่ค่อยได้มันเป็นเรามองเห็นเป็นพิธีกรรมมากมากไปในปฏิญาณ ท, ท, ที่เราทําวัดเนี่ยบอกขนาดว่าข้าพเจ้าเป็นทาวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นนายเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตพร้อมทั้งศีรษะแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์นะเอาขนาดนั้นนะนะ มาว่าจริงจริงปฏิญาณครั้งเดียวก็พอแล้วนะแต่ทําไม่ได้ก็แล้วกันเพียงแต่ว่าคนไม่ได้คิดนะฮะว่าคําพูดอย่างนี้ยมันไม่ใช่พูดพล่อยๆเพื่แล้วต้องทําให้ได้เลยกดสิ่งที่น่าดีใจก็คือมีโยมคนหนึ่งเป็นเขาทํางานการรถไฟทวันตายไปแล้วเขอนํานมาแล้วก็ตั้งข้อสังเกต ามาก็อ่านดูเออไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเราไปปฏิญาณไว้สูงส่งมากนะตรงตรงนี้มันก็มีสมมติเราเพื่อนจะพระมารีเนี่ยเป็นบินยูชนพิจารณาแล้วติเ ต, ตียนเราแต่เราฟังหรือเปล่าถ้าเราฟังมันก็เป็นคุณสมมติว่าเนี่ยเราไม่ผิดอย่างนั้นมันก็ตังยัยสำรวมระวังขนาดไม่ผิดในด้านแางติได้ จะผิดจะทำไงมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจริงเนี่ยฮะถ้าจริงเราก็ได้แก้ไขถ้าไม่จริงเราก็ได้สำรวมระวังข้อนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะดำรงโอตรปะปนะะเป็นเป็นหลักใหญ่ก็อย่างที่บอกไว้ว่าโอตรปะปเนี่ยมันเกิดมาจากปัจจัยภายนอกขือหงทำไปแล้วเนี่ยตนเองติดเตียนตนเองได้สองท่านผู้รู้ไขขวแล้วตาหนิ สามผิดอาญาของบ้านเมืองถูกกับคุมคุมขังลงโทษแล้วก็สี่กลัวภัยในนรกตรงนี้ก็เน้นที่โอตตปะเราจะเห็นว่าสองข้อแรกเนะี่ยจะเน้นมากแต่ว่ามนุษย์เรายังไงก็ตามนะฮะถ้ายังไม่กลัวภัยในนรกแล้วจะคุมยากมากเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองในเวลนี้มันมีคำว่าไม่แครไม่สนเะอย่างกขบอกไม่สนจะอย่า ง, า ไ, มางไม่แค่ หรือพอคนอื่นดีเตียงก็เหมือนกันนะเขาไม่สนใจไม่ไม่มีความสําคัญไม่ยอมรับความสําคัญของคําติเตียนเหล่านั้นอย่างอย่างหนังสือพิมพ์ลงข่าวอะไรเนี่ยคือบางทีเขาก็แต่เออหนังสือพิมพ์นี่ด่าพระว่าทําไมคิดว่าเขาด่าล่ะทาไมไม่คิดว่าเขาเตือนล่ะทำไมไม่คิดว่าเขาบอกกล่าวคือมันไม่มีที่ไม่จริงหรอก มันมีจริงเพียงแต่ว่าบางทีมันก็สับสนในประเด็นแต่เราก็รับฟังเอาไว้มันไม่ได้เสียหายอะไรนี่นะเราเขียนมาก็อ่านก็รับฟังเกือบมาจะอยู่ภาคสนามภาคเผยแผ่นะมันปะทะเยอะแรงประทะนี่มันเยอะเราอบรมสั่งสอนอะไรแต่ละางทีเราก็ไปเจอก็พวกนักโทษพวกเกะกะอะไรเนี่ยมันเยอะฮะเราก็เจอสารพัดเลย แต่เราก็มองว่าเป็นเรื่องที่ควรแก่การรับฟังแม้ว่าคนนั้นแกจะเป็นนักโทษแกจะเกะกะแ ก, ก, ะแกจะอะไรก็เรื่ององแก่นะฮะแต่เราจะต้องมีใจอนุเคราะห์แล้วก็มีความรู้สึกเป็นมิตรกับเขาก็ด่าก็ได้ก็ไม่แน่ว่าอะไรก็อยากจะด่าก็ดาก่ดาด่าก็บัศนบัศนบัศนเท่ก็บันบนสนเท่ น, น, เทนะฮะบางทีเราทํางานต้องขันต้องขันเนี่ยนะมันก็ทกประเทือน ต่อคนอื่นบางทีเช่นในกรณีสันติโสกเนี่ยมาเป็นเลขาธิการตัว น, นั้นโอ้ยโดนบาดสนเทศเป็นกลองๆเลยนะแล้วไปว่าอะไรเราไม่ได้มีเจตนาลายต่อใครจนเดี๋ยวนี้นะคือยังไม่ได้มีเจตนาลายอะไรเลยแล้วก็ยังมองเขาด้วยความเห็นใจอาภัยแล้วก็สลดใจเสียดายเสียดายศักยภาพ ที่น่าจะมาสร้างขึ้นเป็นองค์รวมของพุทธศาสนาแทนที่จะออกไปข้างนอกแล้วมาศาสตรโครนก็มาในห้องซึ่งก็ทาให้ระศาสนามันก็เ ป, เ ป, เ ป, ปเื่เปื่อนไปเพราะฉะนั้นการยอมรับนับถือการตำหนิท่วงจริงจากปิยชนมันต้องเป็นความรู้สึกระดับหนึ่งแล้วก็อดตะปะเรามีมากพอคือมีความเข้มแข็งภายในใจมากพอ กรนี้จึงไม่ใช่เจาะจงพระเห็นไหมว่าที่จริงใครก็ตามะฮะเป็นอยู่ชวนก็ติเตียนก็ท้วงติงก็ตำนี่เขาให้สติตักเตือนเนี่ยควรจะยอมรับฟังด้วยความเคารพถามตัวเองนะฮะว่าเรายอมรับฟังก็ได้ไหมท่าฝฟังเท่าไหร่แต่ลมตะโพตยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไปบุญในธรรม จุงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี